ดิฉันเชื่อว่าขณะนี้หลายคนอาจจะสารวจนกับการที่จะไปทํากิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันครบรอบวันเกิด <c oughs> <c oughs> ก็เลยอยากจะกลับเรียนถาม<อ>ท่านอาจารย์เนะค่ะว่าชาวพุทธเนี่ยเรา <c oughs> <c oughs> ควรที่จะมีวิธีคิดอย่างไร <c oughs> และมีวิธีทำอย่างไรในโอกาสที่เป็นวันเกิดหรือวันคล้ายวันเกิดเนะะี่ยค่ะอ๋อวันเกตดเริ่มต้นอย่างไรเนาะแหมถ้าเป็นอาตมาก็พยายาม รักษาศีล น, นั่นแหละแต่ไม่ต้องถึงกระศีลแปดก็ได้เดี๋ยว <c oughs> ไม่ได้ไปฉลองเข้าเย็นกันก็ศีลห้าเป็นมาตรฐานนะค่ะทำไมเน้นศีลห้าเพราะว่าศีลห้าเนี่ยเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันนะเป็นหนึ่งในคุณธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมคือพ้นจากภัยเวรห้าประการศีลห้า น, <c oughs> นั่นเองแล้วก็มีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีสองคุณสมบัติแค่นี้นะพระโสดาบันแล้วนั่นเอง ไม่ต้องไปวิ่งเห็นนรกสวรรค์อะไรนะทีนี้คนจริง <c oughs> ก็ได้ยินคําว่าพระนโซดาบัล น, นานนะคะ <c oughs> แต่ไม่เข้าใจว่าความเป็นโซดาบัล น, นี่เป็นอย่างไรจะได้ทําให้คนเกิดความรู้สึกอยากเป็นนะคะอ่าฮะค่ะอ๋อความเป็นโซดาบัลประโยชน์มันคืออะไ ร, ระ <c oughs> คะทำไมต้องตัดกายไปให้ถึงโสดาบัล <c oughs> ในชาตินี้ก่อนตายเนี่ยควรได้โสดาบัลก่อนนะก็คือพระโซดาบัลเนี่ยถ้าใครเข้าถึงแล้วเนี่ยจะพ้นจาก อบายทุกปฏิวินิบาติเราก็คือไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิตลอดไปไปเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่ไม่มีทางสิ่งที่ไม่ดีตั้งประมนุษย์นี้ไม่เกิดแน่นอนคและจะเกิดอีกไม่เกินเจดชาติไม่มีชาติที่แปดไม่มีภพที่แปดสำหรับโสดาบันก็จะสำเร็จเป็นพระหานแน่นอนอ๋อดังนั้นอานิสง์ของการถือศีลให้ครบห้าข้อต้องบอกว่าถ้าพูดว่าคําำเลขห้าเนี่ยห้าเท่านั้น แต่จริงๆในทางปฏิบัติคงจะไม่ใช่โหตั้งห้าข้อค่ะปฏิบัติศี่ห้าข้อแล้วอย่างไรต่อนะค่ะท่านไม่เว้นลายตั้งใจไว้ก่อนครบไม่ครบให้ว่ากันอีกทีค่ะผิดช่างมันแต่ให้ตั้งใจไว้ก่อนให้มีการเริ่มต้นก่อนค่ะใช่ไหมทีนี้อย่างกับเราเข้าใจทั่วๆไปเนี่ยท่องไปสอบนะ่ยค่ะสี่ห้าก็คือข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อที่สองห้ามรักทรัพย์ข้อที่สาห้ามประพฤติผิดในกรรม ห้าที่สีห้าม้าู้โกหกเขาที่ 4, ห้ากก 6, 5, ห้าดื่มสุรา <c oughs> มีไรน ะ, นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขยายความได้ครอบคลุมหรือยังคะเท่าที่เราท่องอยู่ห้าอย่างก็ครอบคลุมนั้นนะนะคะก็ตรงตามนั้นเลยฆ่าสัตว์ห้ามฆ่าสาัตว์เนี่ยอ่าฆ่าเพียวๆเลยอย่าไปฆ่าอ๋อแต่ถ้าคนอื่นเขาฆ่าให้เราเช่นกินไก่ตอนเช้าปานกานเชื้อไม่เป็นไรไมเป็นไรใช่ไหมคะอันนั้นเราไม่ได้ฆ่าเองใช่ใช่เราไม่ได้ฆ่าเอง ถ้ากรณีภิกษุเนี่ยก็คือมีเพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าได้เห็นได้ยินได้รังเกตว่าเขาฆ่าเพื่อเราไห ม, มถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกตว่าเขาฆ่าเพื่อเราก็ฉันได้ค่แต่ถ้ากำนานบ่เดียจะไปเ <c oughs> ชิดไก่แกงถวายหลวงพ่ออย่างเงี้ย<อ>ไม่ได้ใช่ไหมคะได้ยินกระหูใช่ใช่ค่ะคราวว่าก็แค่ว่าฆ่าโดยตรงคือเราเป็นคนฆ่าตบยุงนี่ก็ไม่ได้ตบยุงก็ไม่ขวรค่ะถ้าเดินไปบนถนนมันเหยียบนอนไปแล้วไม่รู้ว่าแมงนอนอะไร ไม่ต้องสนใจไม่ได้เจตนาผู้ชาบอกเล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมกรรมคือต้องมีเจตนาอ๋อค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าสีลข้อที่หนึ่งปาณาติปาตาเวระมณีระมณีสิกขาคืออย่างนี้ค่ะก็ท่องมาจังเลยนะคะคิดว่าคนทางบ้านเนี่ยท่องได้เลยแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรปานาติปาตาเวะระมณีศิกขาประทังสมาธิยามินี่ยค่ะ ก็เราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นมากก็ได้เราก็สนใจคำแปลที่ผู้เจ้าท่านตัดไปเลยว่างดเว้นจากการฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยนะก็คือไม่ทำการฆ่าไม่ทำการฆ่าอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าฆ่าไม่เจตนาไม่ผิดถ้าเราไม่มีเจตนาดูที่เจตนาของเราไม่ประพฤติผิดในกามใช่ไหมข้อที่สองข้อที่2อธินาทานอ๋อห้ามขโมยห้ามขโมยห้ามขโมย ก็ไม่ถือเอาทัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ยเรื่องของอาทินาทานนั้นจะทําให้เรามีความระมัดระวังมีสตินั้นจริงๆรักษาสิ่งนี้เป็นการฝึกสติฝึกสัมปชัญญะในตัวด้วยจิตมันคิดจะไปหยิบของคนนู้นคนนี้มันก็จะไม่ไม่ทำมันจะนึกได้เราตั้งใจมีไว้ใช่ไหมอ่ามันจะไปท่าใครก็ไม่เอาไม่ทำเนี่ยเป็นการยับยั้งชั่งใจเป็นการฝึกสติระดับหนึ่งเลยไปซื้อของออเขา้าทอนเงินเกิน <c oughs> เรารับมาอืโดยไม่รู้ค่ะว่าคทรเกินอบาบไหมคะไม่เป็นไรแต่สมมุติเกิดพอเรารับมาเกินโดยไม่รู้แต่ตอนหลังเรามารู้แล้วเราก็ยังไม่ไปพ้นห้างนี่เลยอฮถ้าเราไม่เอาไปคืนเนี่บาบไหมคะต้องต้องระวังละเอียดอย่างนี้ไหมคะก็ดูที่เหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยมันเพียงพอก็ก็ทําค่ะถ้าเหตุปัจจัยไม่พอกลับมาบ้านแล้วโอ้โห ตอนเกินมาห้าบาทขับรถกลับไปคืนนีค่าน้ามันหมดไปห้าร้อยอันนี้ก็ไม่เป็นไรไว้อทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าไปห้างนี่ใหม่ก็เอาไปคืนได้แล้วมาถึงข้อสานข้อกาเม์แล้วใช่ไหมคะกาเม์เนี่ยคาวาสนทำแค่ไหนอย่างไรคะคาวาะก็แค่ว่าไม่ไปแย่งของลักคนอื่นแค่นั้นพอละของมีเจ้าของนะอย่างเงี้ยเพราะนั้นวิบากอย่างเบา ของผู้ทำการเมษุมิชาจารย์ก็คือก่อเวร้วยศัตรูมันจะทั้งล้อกันมันจะมีศัตรูมาเพราะของของใครใครก็หวงไงท่านคะอันนี้หมายถึงเรื่องชู้สาวอย่างเดียวไหมคะการเมสุมิชาใช่ใช่ไม่ใช่ว่าของของคนอื่นนี่จะเป็นข้อ2ไปทันทีใช่ใช่ใ่ะท่านช่วยพูดอีกทีไดหมคะหมายถึงว่าไม่ไปแย่งของของรักใครของรักของใครเพราะว่ามันจะทําให้เกิดศัตรูในการประพฤติผิดในกามอย่างนี้ข้อ4ค่ะข้อ4เนี่ย มักจะมีคนบอกว่าในบรรดาศีห้าข้อเนี่ยข้อเนี้ยถือยากที่สุดคือข้อโกหกเลยค่ะบางคนเลยบอกว่ามีโกหกขาวโกหกเขียวไปแยะไปหมดมันยังไงคะโกหกไม่ได้เลยหรือจำเป็นนะคะจาเป็นถ้าพูดไปแล้วเขาจะไม่สบายใจไม่บอกดีกว่าเราก็ต้องพยายามรักษาไว้ให้เต็มที่ให้สุดๆก่อนแล้วปัญญาด้านกุศลมันจะเกิด แทนที่เราจะตัดสิงนง่ายๆออโกหกไปจบหมดเรื่องแต่มันจะมีเรื่องภูพันมาภายหลังนะวิบากอย่างเบาของผู้โกหกเนี่ยพระเจ้าบอกว่าจะถูกกล่าวตู่ด้วยคําไม่จริงจะถูกสายลายป้ายสีอย่างนีอนะ้อันนั้นเป็นวิบากอย่างเบาแต่ถ้าทํามากทําเป็นปกติเป็นไปเพื่อนำลกกบกำเนิดเดชฌานหเปตวิสัยมันเป็นหนทางไปสู่อบาย น, นั้นสุรบาลจะต้องปิดอบายได้จะต้องหมดจากสิ่งเหล่านี้ โอ้โหกมากมากตั้งใจนี่มีสิทธิ์ไปเกิดเป็นเตเต้เหรอคะใช่น่ากลวมากทีนี้อย่างบางคนเนี่ยอย่างอย่างเรามีอาชีพสมมุติว่าเรามีอาชีพเป็นโคศกประจำอะไรสักอย่างเป็นโคศกรัฐบาลอย่างเงี้ยนะคะอย่างเคยเป็นรองโคศกเราก็มีความรู้สึกบางอย่างเราก็บอกทั้งหมดไม่ได้หรือบางทีเนี่ย นักข่าวถามถา ม, มในขณะที่เราไม่สามารถบอกขนาดนั้นได้เราก็ต้องเหมือนกับโกหกเข้าไปทั้งๆ ท, ท, ที่เราก็พยายา ม, มจะถือศีล <laughs> แต่ในใช้หลีกเลี้ยวลดหย่อนค <c oughs> พยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนลดทอนปัญหาลงแต่ถ้าไม่มีเจตนาอย่างนี้ก็ก็ อ, อย่างชั่วใช่ไหมคะอ่าอ่ใช่อยู่ที่เจตนาของเราหรือว่าหลักการกว้างๆนะ <c oughs> ที่พระเจ้าบอกว่าจะพูดจะทําอะไรเนี่ยบอกสารีบุตรให้ดูอย่างนี้พูดทําอะไรลงไปเนี่ยกุศลเจริญหรือเปล่า หรืออภูษณ์จเจริญเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่พูดเรื่องศินเรื่องอะไรแล้วนะดูผลเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นถ้าพูดไปแล้วเนี่ยอุศษมันจเจริญอกุศลมันเสื่อมพูดไปนะอ่านี่นี่เป็นกรอบกว้างๆอีกมุมหนึ่งนะที่พระเจ้าท่านตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูด <c oughs> ไปทําให้เกิดปัญหาตามมามเราไม่พูดมไม่เป็นไรเกิดความเดือดร้อนในภายหลังอย่างเงี้ยก็อย่าไปพูด อ, อย่างเงี้ย ก็อาจจะทําให้หลายคนที่มีความจําเป็นเนี่ยต้องพูดอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงมากบ้างน้อยบ้างเพื่อรักษาในสิ่งที่สมควรจะรักษาเอาไว้สบายใจขึ้นได้ไม่มากก็น้อยทีนี้มาถึงข้อสุราเมรยัย uh huh. นะคะหลายคนก็มีปัญหาเหมือนกัน uh huh. นะคะว่าบังวัดด้วยซ้ำนะคะอันนี้มีเพื่อน uh huh. เล่าให้ฟัง uh huh. ว่าไปปฏิบัติธรรมวันนี้ชอบมากเลยเพราะว่าห uh huh. ลวงพ่อบอกว่า ดื่มวายได้เป็นครั้งคราวอย่างงี้เป็นยังไงคะอ๋อหมายถึงคารวะหรือพระหมายถึงว่าการถือศีลข้อนี้ยค่ะเคร่งเครียดขนาดไหนอ๋อๆค่ะก็ข้อนี้นี่เป็นที่น่าสังเกตอยู่มุมหนึ่งในมรรคมีองแปดเนี่ยไม่มีข้อสุลาเนี่ยสังเกตนะนะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังปาสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะไ่มาถึงสมาสมาธิไม่มีบ่งบอกเรื่องสุลา แหมคนดื่มสุราเนี่อาจจะยิ้มออกนิดนึงนั่นน่ะสิเตรียมชาโยกันละค่ะแต่มันเป็นเหตุให้ให้ประมาทมัวเมาและเสียสติกันนั้นอย่างพระเนี่ยผู้เช้าก็ยังอนุญาตให้ฉันได้ถ้าเจือในอาหารโดยที่ไม่ปรากฏสีกลิ่นลดเพราะฉะนั้นบางทีมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อการรักษาโรคหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะค่ะก็อนุโลมได้ะอืผัดไก่เหล้าแดงอะไรเงี้ยได้เลยใช่ไหมคะอันนั้นก็ดูที่เจตนา เจตนาเนี่ยเขาผสมเล่าไปในอาหารเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะให้คนกิ น, นี่บเมาเนี่ยเขาเพื่อให้เกิดรสอร่อยนั้นอันนี้ก็จะไม่จัดเป็นเรื่องของสุลาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ <c oughs> มีในหลายกรณีในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันภิกษุเนี่ยอ่าไม่ฉันงบน้ำอ้อยปกติงบน้ำอ้อยเนี่ยฉันได้แต่เขาไปเห็นงบน้ำอ้อยเนี่ยเจือแป้งเนะี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ้าวแป้งเป็นอาหารเพราะฉะนั้นงบน้ำอ้อยฉันไม่ได้ภิกษุกลุ่มบอกฉันได้เรื่องก็ไปถึงผู้เจ้า ผู้เจ้าถามว่าเขาใส่แป้งไปเพื่ออะไรค่ะเขาใส่ไปเพื่อทําให้งบน้ําอ้อยนะ้ำมันเหนียวติดกันผู้เจ้าเลยบอกว่าฉันได้ไม่ผิดพวันนี้เขาไม่ได้เจตนาจะให้เป็นอาหารเขาให้มันติดกันค่ะเนี่ยใส่เหล้าลงไปในอาหารนิดหนึ่งเพื่อให้เกิดรสอร่อยอเขาไม่ได้หวังให้เมาค่ะสําหรับ <c oughs> ท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่รู้จักงบน้ำอ้อยเพราะว่าสมัยนี้อาจจะหายาก <c oughs> เหมือนกันนะคะ <c oughs> อาจารย์ช่วยอธิบายได้ไหมคะดิฉันพอจะเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนกับน้ํ า, าตาลจ้อ้อยอใช่ไหมคะน้ำตาลอ้อยก้อนแข็งๆที่เป็นเหมือนน้ำอ้อยแล้วก็เอามาเคี่ยวะยวหรือว่าเอาน้ําตาลมาเคี่ยวให้เป็นก้อนลักษณะ<ม>จะคล้ายๆน้ําตาลปึก <c oughs> น้ําตาลอะไรเงี้ยเหมือน น, ะะน้าตาลปีบ๊บหรืออะไรที่เป็นก้อนแต่ว่าแข็งนะคะก็เป็นวิธีทําน้ําตาลให้แข็งเป็นก้อนเพื่อที่จะให้สะดวก กับการบริโภคหรือว่าสะดวกกับการขนส่งอะไรก็แล้วแต่ซึ่งพระเนี่ยฉันได้นอกเวลาอืมค่ะแต่ฉันก็เพิ่งทราบเพิ่งสมแป้งแล้วก็เพิ่งทราบว่าพระฉันได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของศีลโดยสังเกตแต่ว่าบางทีก็เคยได้ยินคนพูดว่าสุราเป็นระยะระยะได้เพราะว่าศีลจะบอกว่าสุราเมีระยะมัชชะประมาใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีหลายคนอะค่ะที่บอกว่าศีลพระพุทธเจ้าเนี่ยศีลห้าเนี่ยท่านไม่ได้บอกให้ห้ามนะ ท่านบอกว่าให้อะไรนะะละเว้นละเว้นในการกระทําตรงเนี้ย <S S 2> ค่ ะ, ค, ะคือเหมือนกับว่าจริงๆมันเป็นความเป็นปกติไงที่จะไม่ทําในสิ่งเหล่านี้ <S S ค, ะคะ่ะแล้วก็จริงๆ จ, จะว่าไปก็มีคนจานวนมากทีเดียวนะคะที่พยายามที่จะรักษาศีลแล้วก็เคยเห็นมีคนเขาเสนอความคิดตอนนั้นอยู่ในรัฐบาลเขาบอกว่า น, น่าจะมีนโยบายของรัฐบาลไปเลยว่าคนไทยรณรงค์ให้มีการ ถือศีลห้าข้อแล้วก็สังคมจะเกิดปัญหาน้อยโอ้โหแน่นอนเลยนะข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์น่าจะหายไปมากกว่าครึ่งใช่ค่ะพื่คุยกับพี่ภาคสาพี่ภากษายังบอกนะบอกว่าถ้าคนไทยรักษาศีลห้าผมว่าคดีหายไปมากกว่าครึ่งท่านคงไม่อยากเหนื่อยเพราะทุกวันนี้ผูดภากษาทําคดีไม่ทันเลยนะคะเท่าที่ทราบผูดภากษาจัดด้วยว่าเป็นอาชีพที่คนน้อยไม่พอกับงานหนักนะค่ะเพราะว่าสังคม มีคนถือศีน้อยอีกส่วนหนึ่งค่ะทีนี้เรากำลังพูดกันถึงหัวข้อเรื่องของวันเกิดว่าจะทำอย่างไรดีแล้วก็ท่านอาจารย์ก็บอกว่าให้ถือศีนสิแล้วจะได้บุญนะคะทีนี้ถือศีนเนี่ยเหมือนกับที่เราเคยถามกันไปในข้อธรรมบรรก่อนไหมคะว่าจะทำให้เราไม่ต้องไปวัดเราก็ได้บุญเหมือนกันคล้ายๆกันไหมคะกับเรื่องสัมมาสังกัปปะที่ท่านบอกอ๋อได้เลยนะ เพราะว่าอยู่บ้านก็รักษาศีลได้อยู่ที่ทํางานก็รักษาศีลได้สบายๆและโอกาสจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องตกไปอยู่ในอบายเมื่อเสียชีวิตจากชีวิตนี้ไปแล้วนะคะท่าอาจารย์ก็บอกว่าจะไม่มีโอกาสที่จะไปเกิดในที่ที่ตามประการเป็นมนุษย์อีกแล้วและแถมยังมีโอกาสเกิดไม่เกินเจ็ดชาติใช่ไหมคะปกติมนุษย์แต่แต่ต้องแถมเลยนะแต่ต้องแถมความไม่หวั่นไหวในพระรัตนไตนะเพราะถ้าศีลห้าอย่างเดียวยังมีโอกาสเนี่ยเพราฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งใน หนในคุณธรรมของพระโสดาบันที่จะไม่ให้ไปอบายกันนั้นอ๋อเป็นหนึ่งในคุณธรรมหนึ่งในคุณธรรมมีสองคุณธรรมเนี่ยค่ะอ่าผู้เจ้าพูดไว้หลายนัยยะนี่นี่เอามาในายะหนึ่งซึ่งมีสองคุณธรรมเพื่อให้เห็นเป็นปรูปธรรมได้อ๋อถ้าอีก <c oughs> คุณธรรมหนึ่งคือต้องทําไปพร้อมกับการที่ยึดมั่นเชื่อมั่นในกรรมค่ะเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนีไม่ไปเชื่อสิ่งนู้นสิ่งนี้ว่าจะโดนปัญญาจะอะไรต่างๆได้เราเชื่อมั่นในกรรมว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราข้างหน้า กรรมเป็นตัวสง่งผลไม่ใช่ว่าเทพบันดาลพรมบรรดาลอีศสนบันดาลผีบรรดาลเทวดาบรรดาลอะไรนะผู้ชาบอกเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดสงสัยจะต้องคุยเรื่องนี้กัน <c oughs> ยาวอีกวันนึ่งเลยนะคะเพราะว่ า, เ พ, าเพราะว่าวันนี้ใช้เวลากันมาพอสมควรก็ขอให้ท่านที่เกิดวันนี้ได้ปฏิบัติในสิ่งที่จะสร้างบุญให้กับตัวเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องทําเองนะคะไม่มีใครเขาให้ได้นะคะก็ขอให้ ท่านได้รับในสิ่งที่ดีจากการที่ท่านปฏิบัติกันก็นแล้วกัน